ชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีต และชีวิตในอนาคตเพราะเราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือต่าเพียงใดก็ได้จากบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังค ป, ปรินายกเรื่องชีวิตนี้น้อยนักปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักหมายความว่าชีวิตในชาติปัจจุบันนี้น้อยนักสั้นนักเมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตที่นับชาติไม่ท่วนและชีวิตในอนาคต ที่จะนับชาติไม่ท่วนอีกเช่นกันสำหรับการเวียนไหวาตายเกิดในสังสารวัตรนี้กล่าวคือชีวิตในปัจจุบันชาติเองของแต่ละคนอย่างยืนนานที่สุดก็เกินร้อยปีได้ไม่เท่าไหร่ดังนั้นกรรมหรือการกระทําที่ทําในชาตินี้ชาติเดียวจึงน้อยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมหรือการกระทำที่ทำไว้แล้วในอดีตชาติอันนับชาติไม่ท่วนสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้มีปัญญาจะต้องเข้าใจและตระหนักถึงอยู่เสมอก็คือชีวิตนี้แม้น้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคต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 ชีวิตในอนาคตก็ยังไปไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่าชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์สมกับความสำคัญของชีวิตนี้ดังเช่นผู้ที่อธิษฐานจิตปรารถนากลับมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานั้น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 ทำดีสูงสุดจนเกิดผลสูงสุดคือการปฏิบัติได้สำเร็จมรรคผลนผิพพานพ้นทุกสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปก็ทำได้ในชีวิตนี้หรือทำดีเพียงเพื่อให้ได้ถึงสวรรค์พ้นนรกก็ทำได้ในชาตินี้เช่นกันดังนั้นผู้มีปัญญา ที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของชีวิตในชาติปัจจุบันนี้จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของกรรมและการให้ผลของกรรมกรรม คือการกระทำซึ่งมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่ได้ทําไว้แล้วในอดีตชาติอันนับจํานวนชาติไม่ท่วนเปรียบได้กับการเขียนหนังสือลงบนกระดาษแผ่นเดียวที่ยิ่งเขียนทับซ้ําลงไปตัวหนังสือก็ย่อมจะทับกันยิ่งขึ้นทุกทีการอ่านก็จะยิ่งอ่านยากขึ้นทุกทีจนถึงอ่านไม่ออกเลยและหาอาจรู้ได้ไม่ว่า เขียนอะไรก่อนหรือหลังตามนี้ฉันใดการทำกรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำดีหรือกระทำชั่วก็ฉันนั้นคือหารู้ไม่ว่าทำกรรมใดก่อนหรือทำกรรมใดหลังทำดีหรือทำชั่วอะไรไว้บ้างมากน้อยหนักเบาวกว่ากันอย่างไรมาถึงชาตินี้ก็ไม่รู้ทั้งสิ้นเป็นความซับซ้อนของกรรมที่แยกไม่ออก เช่นเดียวกับความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับกันไปทับกันมาแต่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก็คือความซับซ้อนของตัวหนังสือที่เขียนทับกันมากๆนั้นย่อมไม่มีทางรู้ได้ว่าเขียนเรื่องดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่สำหรับความซับซ้อนของกรรมนั้นแม้ทำซับซ้อนมากเพียงไรก็มีทางรู้ว่า ทำกรรมดีและกรรมไม่ดีไว้มากน้อยเพียงไรโดยมีผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั่นเองเป็นเครื่องช่วยแสดงให้เห็นความแตกต่างของชีวิตที่สําคัญที่สุดที่แสดงให้เห็นอนํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรรมคือความได้พบชาติของพรหมเทพความได้พบชาติของมนุษย์ความได้พบชาติของสัตว์เทวดาอาจเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์ได้ มนุษย์ก็อาจไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์ได้และสัตว์ก็อาจไปเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ได้ด้วยอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของกรรมอันทําให้เกิดนี้เป็นความจริงที่แม้จะเชื่อหรือไม่เชื่อความจริงนี้ก็ย่อมเป็นความจริงเสมอไปฉะนั้นสิ่งที่ควรกลัวก็คือกลัวการไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์และไม่ได้ไปเกิดเป็นเทวดานั่นเอง กรรมจึงน่ากลัวจริงๆหน้าหนีให้พ้นอำนาจของกรรมจริงๆทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันกรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิดคือชนกกรรมชนกกรรมเป็นกรรมสุดท้ายก่อนชีวิตจะขาดจากภพกภูมินี้กรรมสุดท้าย หรือเรื่องสุดท้ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่คือชนกรรมอันนําไปเกิดถ้านึกถึงความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนดับจิตจิตก็จะไปสู่สุขคติซึ่งจะนํากายไปสู่สุขคติด้วยแต่ถ้านึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศลในขณะก่อนจะดับจิต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 มีอำนาจเหนือจิตทำให้จิตเมื่อใกล้ดับผูกพันอยู่กับความรู้สึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นเมื่อจิตดับคือจากร่างก็จากไปพร้อมกับความรู้สึกนั้นนำไปก่อเกิดกายที่ควรแก่กสภาพจิตทุกประการตัวอย่างเช่นผู้ที่หวงสมบัติมากๆ กลัวจะมีผู้มาเอาสมบัติไปก่อนจะดับจิตมีใจผูกเฝ้าสมบัติอย่างหวงแหนเมื่อดับจิตก็ไปเกิดเป็นงูเฝ้าอยู่ที่สมบัตินั้นจึงไม่ได้ไปเสวยผลบุญที่ตนได้ทําไว้จนกว่าใจจะปล่อยละวางความยึดถือความหวงแหนสมบัตินั้นๆดังนั้น ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาท่านจึงเชื่อในเรื่องของอำนาจความยึดมั่นของจิตท่านจึงสอนลูกหลานไว้ว่าก่อนจะหลับไปให้ภาวนาพุทธโธนึกถึงพระพุทธเจ้าและให้ตั้งใจปรารถนาว่าเมื่อจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตามขอให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในทันที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 การท่องพุโทโธไว้ในใจเสมอคือความคุ้นเคยกับพุโทโธซึ่งเมื่อถึงเวลาคับขันใจจะไม่ยึดเกี่ยวกับอะไรอย่างอื่นที่ไม่คุ้นเคยแต่จะไปเกาะอยู่กับพุโทโธซึ่งเป็นยอดของสิริมงคลทั้งปวงย่อมได้รับสิริมงคล น, นั้นอันจกนำให้พ้นพานภายใหญ่น้อย ความคุ้นเคยกับสิ่งดีมีมงคลจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อความคุ้นเคยเกิดขึ้นกับเรื่องใดๆหรืออารมณ์ใดๆใจก็จะยึดมั่นผูกพันข้องติดอยู่กับเรื่องนั้นๆมาแต่อดีตชาติผลของความยึดมั่นผูกพันนั้นจะนำมาสู่พบชาติปัจจุบัน ซึ่งเมื่อดูภพชาติของตนในปัจจุบันก็พอจะเข้าใจได้ว่าอดีตนั้นตนผูกพันกับเรื่องใดอารมณ์ใดมาก่อนดีหรือว่าไม่ดีอย่างไรตัวอย่างเช่นผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำทานการกุศลมามากในอดีตชาติ ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะสมบูรณ์ภูมสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการเอื้ออาทรดูแล ร, รักษาให้ข้าวปลาอาหารยารักษาไข้และเงินทองเพื่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยมามากในอดีตชาติ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 ไม่ถูกล่วงเกินดูหมิน่นเป็นไปเช่นเดียวกับที่ตนได้ปฏิบัติไว้ต่อผู้อื่นเป็นอันมากในอดีตชาติผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการประครับประคองรักษาชีวิตผู้อื่นสัตว์อื่นมามากในอดีตชาติไม่เบียดเบียนตัดรอนทําลายชีวิตผู้อื่น ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีอายุยืนไม่ถูกตัดรอนเบียดเบียนทำลายด้วยเหตุใดทั้งสิ้นไม่ให้ต้องเป็นผู้มีชีวิตน้อยมีชีวิตสั้นผู้ที่มีใจผูกพันอยู่กับการรักษากายวาจาใจอยู่ในศีลบริสุทธิ์มามากในอดีตชาติ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 ก็จะรู้ได้จากปัจจุบันชาติคือปัจจุบันชาติจะเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดศึกษาปฏิบัติธรรมเข้าใจง่ายจเจริญดีในธรรมแต่อย่างไรก็ตามแม้ผลของกรรมดีที่ได้กะระทมกันมาที่เป็นความคุ้นเคยกันมา และจะสงวนรักษาไว้สืบต่อกันนานแสนนานต่อไปก็ต้องพยายามหนีผลของกรรมไม่ดีที่ทุกคนได้กระทำมาแล้วในอดีตชาติซึ่งมากมายนับพบชาติไม่ถ้วนและกรรมไม่ดีนั้นก็กำลังตามมากล่าวคือทุกคนกำลังมีผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีติดตามมาเป็นผลของเหตุ ที่ได้ทำกันไว้ในอดีตชาติซึ่งกรรมไม่ดีนั้นกาลังตามส่งผลแก่เราทุกคนแน่นอนแต่เพราะกรรมดีเท่านั้นที่เป็นแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไม่ดีที่กําลังส่งผลติดตามเราอยู่ในขณะนี้ซึ่งกรรมดีนั้นจะต้องมีกําลังมากพอที่จะพาหลบหนีจากกรรมชั่วไปได้ฉะนั้นการที่เรายังพ้นจากกรรมชั่วอยู่ได้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 ก็จะตามทันต่อไปได้อีกในชีวิตอนาคตกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตมากมายอาจจะตามไม่ทันตลอดไปก็ได้ถ้าทำชาตินี้ให้ดีที่สุดจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อชีวิตนี้น้อยหนักผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฏฐิก็จะคิดได้ว่าชีวิตนี้สั้นอีกไม่นานก็จะต้องตายตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้จะเอาไปได้ก็แต่บุญบาปหรือความดีความชั่วเท่านั้นจึงต้องเร่งทำความดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดี เพียงทำสามประการนี้ให้สม่ำเสมอตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนก็สามารถหนีมือแห่งกรรมไม่ดีได้การที่คนเราจะคิดดีพูดดีทำดีอยู่เสมอได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ คุ้มครองให้ทำแต่ความดีทั้งกายวาจาใจทุกเวลาคุ้มครองให้สวัสดีคุ้มครองไม่ให้ทำความไม่ดีดังพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความกตัญญูกะตะเวทิตาคือธรรมของคนดีกล่าวคือ เป็นธรรมเครื่องสร้างคนให้เป็นคนดีได้จริงๆเพราะความกระตันยูรู้คุณผู้มีพระคุณและตั้งใจจะตอบแทนพระคุณเป็นเครื่องป้องกันที่สำคัญที่สุดที่จะกันให้พ้นจากความคิดผิดคิดร้ายได้ทั้งหมดโดยมีจุดอยู่ที่ความไม่ปรารถนาที่จะทำให้ผู้มีพระคุณเป็นทุกข์ เดือดร้อนกายใจผู้มีกตัญญูกะตะเวทิตานั้นจะรู้จากบุญคุณของผู้มีบุญคุณทั้งหมดจะตอบสนองทุกคนเต็มสติปัญญาความสามารถควรแก่ผู้รับและนี่เองเป็นเหตุให้คิดดีพูดดีและทำดีเพราะเกรงว่า การคิดไม่ดีพูดไม่ดีและทำไม่ดีจะมีส่วนทำให้ผู้มีพระคุณเดือดร้อนเช่นมารดาบิดาเป็นผู้มีพระคุณลูกกตันยูก็จะประพฤติตัวเป็นคนดีจะไม่เป็นคนเลวเพราะเกรงว่ามารดาบิดาจะเสื่อมเสีย นี่ก็เท่ากับเป็นธรรมที่คุ้มครองตนเองได้แล้วด้วยความกตัญญูกะตะเวทิตาดังนั้นเราทุกคนจึงต้องเร่งอบรมใจของตนเองให้มีความกตัญญูกะตะเวทิตาให้จงได้และเราทุกคนต้องมีความกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าต่อบิดามารดา ต่อครูอาจารย์และต่อบุคคลทั้งหลายที่มีพระคุณต่อเรานอกจากนี้เมื่อเราได้ทำบุญทำกุศลแม้จะไม่ปรารถนาให้เกิดผลแก่ตนโดยตรงผลก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นในการทำบุญทำกุศลทุกครั้ง พึงทำใจให้กว้างเอื้ออาทรไปถึงผู้อื่นทั้งนั้นที่แม้จะอยู่ต่างพบภูมิกันก็ตั้งใจอุทิศให้อย่างจริงใจให้ด้วยสำนึกในพระคุณที่ได้รับจากท่านทั้งหลายและให้ด้วยสำนึกในความผิดพลาดก้ามเกินที่ตนอาจจะได้กระทำแล้วต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมความตั้งใจที่จะอุทิศให้นี้เป็นความตั้งใจจริงบอกกล่าวให้รับรู้ให้ยอมรับความมีเจตนาจริงใจที่จะตอบแทนพระคุณและขอโทษแม้ว่าการบอกกล่าวด้วยใจจริงเช่นนี้ต่อผู้ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นก็ตาม ก็ไม่ใช่ความหลงและความไร้เหตุผลแต่เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องและจะต้องได้ผลอาจจะพาพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ตามอยู่ได้ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนักเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเป็นทางแยกจะไปสูงไปต่ำ จะไปดีไปร้ายก็เลือกได้ในชีวิตนี้เท่านั้นพึงสำนึกข้อนี้ให้จงดีแล้วจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิดชีวิตนี้จกสวัสดีและชีวิตข้างหน้าก็จะสวัสดีได้ถ้ามือแห่งกรรมร้ายไม่เอื้อมาถึงเสียก่อนมือแห่งกรรมร้ายใดๆ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 คือการทำดีพร้อมทั้งกายวาจาใจทุกเวลาผู้มีสติระวังไม่ให้ทำความไม่ดีทั้งหลายทั้งกายวาจาใจได้ยิ่งกว่าผู้อื่นคือผู้มีความกตัญญู ก, กะตะเวทิตาอันเป็นธรรมสำคัญที่จะทาให้คนเป็นคนดี มีความห่วงใยปราถนาระหวังรักษาผู้มีพระคุณไม่ให้ต้องเสียชื่อเสียงและไม่ต้องเสียทั้งน้ำใจผู้มีกตันยูกะตะเวทิตาจึงเป็นผู้มีธรรมเครื่องคุ้มครองให้สวัสดีเครื่องคุ้ม ค, อครอ ง, คมคองให้สวัสดีก็ดี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 หาขอบเขตไม่ได้โดยยึดหลักสำคัญคือความกะตัญยูกะตะเวทิตาต่อมารดาต่อชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์ให้มั่นคงทุกลมหายใจเข้าออกเถือ